จเจริญพรท่านพุทธศาสนิกชนผู้มีจิตเรื่มใสศรัทธาในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ทุกๆ ท, ท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่24มีนาคมพุทธศักราช2550เป็นวันที่ท่านทั้งหลายไม่ว่าจะเป็น เด็กเป็นผู้ใหญ่เป็นหญิงเป็นชายเป็นหนุ่มเป็นสาวหรือเป็นผู้สูงอายุก็ได้มาร่วมกันทำบุญทำทานมาทำบุญทำกุศลเพราะบุญกุศลเป็นสิ่งที่จำเป็นสำหรับทุกคนถ้าปรารถนา ที่จะอยู่อย่างร่มเย็นเป็นสุขอยู่อย่างเจริญก้าวหน้าอย่างแท้จริงเพราะบุญกุศลนี้ก็เป็นเหมือนกับยารักษาโรคที่ใช้ได้กับทุกคนไม่ว่าจะเป็นหญิงหรือชายเด็กหรือผู้ใหญ่เวลาที่ร่างกายเจ็บไข้ได้ป่วย หายามารับประทานก็จะหายจากโรคภัยไข้เจ็บจิตใจของเราก็มีโรคภัยไข้เจ็บรุมเราอยู่เหมือนกันโรคแห่งความทุกข์แห่งความวุ่นวายใจแห่งความกังวลใจแห่งความเศร้าโศกเสียใจแห่งความหวาดกลัวเหล่านี้เรียกว่าเป็นโรคทางจิตใจ และก็สามารถเยียวยารักษาให้หายได้ด้วยบุญและกุศลด้วยธรรมโอสถคือพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าที่สอนให้เราทำความดีละบาปชำระใจให้สะอาดบริสุทธิ์กำจัดความโลภความโกรธความหลงให้หมดไปจากจิตจากใจเพราะ เชื้อโรคของใจก็คือความโลภ ค, ความโกรธความหลงนี่เองถ้าตราบใดยังมีความโลภโลภ ค, ความโกรธความหลงอยู่ในใจตราบนั้นก็ยังจะมีโรครุมเร้าโรคแห่งความทุกข์ความวุ่นวายใจรุมเร้าอยู่เหมือนกับร่างกายถ้ามีเชื้อหวัดอยู่ในร่างกายก็จะต้องทำให้เป็นไข้หวัด ้ามีเชื้อทำให้เชื้อทำให้ท้องร่วงก็จะต้องมีท้องร่วงแต่ถ้ารับประทานยาเข้าไปแล้วได้กำจัดเชื้อโรคที่มีอยู่ในร่างกายให้หมดไปโรคต่างๆก็จะหายไปเช่นเดียวกันดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมองคว้ามองข้ามความสำคัญของบุญและกุศล เพราะนอกจากเป็นยาแล้วก็ยังเป็นอาหารด้วยจิตใจจะมีความอิ่มเอิบมีความอิ่มมีความพอก็ต้องมีการทำบุญมีการปฏิบัติธรรมคือบุญและกุศลนี่เองบุญนี่แปลว่าความสุขใจความอิ่มใจกุศลแปลว่าความฉลาดคือปัญญาหรือดวงตา เห็นธรรมดวงตาเห็นธรรมถ้าเราเห็นอะไรเป็นไปตามความจริงแล้วเราก็จะไม่หลงยึดติดเมื่อเราไม่หลงยึดติดเราก็จะไม่ทุกข์กับสิ่งต่างๆแต่ถ้าเราไม่มีปัญญาไม่มีกุศลเราก็จะหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆสิ่งที่เรารักเราชอบเราก็อยากจะให้อยู่กับเราเป็นนานๆ สิ่งที่เราไม่ชอบเราก็อยากจะให้หายไปเร็วๆแต่สิ่งเหล่านี้เขาไม่ได้อยู่ภายใต้ความชอบหรือไม่ชอบของเราเขามีเหตุมีปัจจัยของเขาเขาเป็นสภาวะธรรมที่มีการเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วดับไปในที่สุดจะช้าหรือจะเร็วเท่านั้นเองเพราะฉะนั้นถ้าเราได้ ยินได้ฟังพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วสามารถปฏิบัติตามได้ใจของเราก็จะหายจากความทุกข์จากความวุ่นวายใจต่างๆแล้วถ้าเราทำบุญเสียสระเรานั่งสมาธิทำจิตใจให้สงบเราก็จะมีความอิ่มมีความพออยู่ในใจของเราดังนั้น ถ้าร่างกายต้องการอาหารต้องการยารักษาโรคใจก็ต้องการอาหารและยารักษาโรคเช่นเดียวกันก็คือบุญและกุศลนี่เองเราจึงควรทําบุญทํากุศลอย่างสม่ําเสมอเหมือนกับการรับประทานอาหารวันหนึ่งเรารับประทานอาหารวันละสามมือเราก็ควรที่จะให้อาหารกับใจวันละสามมือ หรือมากก็ น, นั่นเสียด้วยซ้ำไปเพราะโรคของใจนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาความหิวความอยากของใจนี้ปรากฏอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะมีมากหรือมีน้อยก็ยังมีความหิวมีความอยากอยู่ด้วยกันเสมอร่างกายนั้นยังมีความหิวเป็นเวล่ำเวลาคือเวลาเช้าก็หิวครั้งหนึ่งเวลากลางวันก็หิวครั้งหนึ่ง เวลาเย็นก็หิวครั้งหนึ่งแต่ใจนี้หิวแทบจะตลอดเวลาเลยแม้จะ ร, รับประทานอาหารเข้าไปเสร็จยกยกไม่นานพอคิดถึงอาหารของอเอร่อยขึ้นมาอีกก็เกิดความหิวเกิดความอยากจะรับประทานอีกจึงทำให้คนเหล่านี้มีน้ำหนักตัวเกินความจำเป็นเพราะ ไม่มียามารักษาเยียวยาไม่มีอาหารมาให้กับใจกินอาหารผิดชนิดคือใจหิวก็ต้องให้อาหารกับใจแต่ใจหิวกลับไปให้อาหารกับร่างกายซึ่งไม่ต้องการอาหารร่างกายก็เกลยเกิดมีอาการอ้วนขึ้นมาและเป็นเป็นการรักษาที่ยากเพราะรักษาไม่ถูกทางวิธีที่จะรักษาไม่ให้ร่างกายอ้วนจนเกินไป ก็คือต้องรู้จักหักห้ามจิตใจหักห้ามความอยากของใจนั่นเองต้องใช้เหตุและผลเช่นเรารับประทานอาหารเสร็จใหม่ๆแล้วเราไปเห็นขนมของโปรดขึ้นมาแล้วเกิดอยากจะรับประทานขึ้นมาอีกเราก็ต้องบอกว่าร่างกายมันพอแล้วมันเต็มแล้วกินเข้าไปไม่เกิดประโยชน์มีแต่โทษอาจจะมีความสุขชั่วประเดียวประเดาว ในขณะที่ได้ลิ้มรสขนมชิ้นนั้นหรือถ้าเราอยากจะแก้ด้วยวิธีที่ถูกต้องเราก็ต้องพิจารณาดูสภาพของอาหารที่เรารับประทานเข้าไปเวลามันอยู่ข้างนอกมันก็ดูสวยงามดีแต่พอเราเอาเข้าไปในปากเอกไปเคี้ยวเอาไปผสมกับน้ำลายแล้วลองนึกภาพดูว่ามันเป็นอย่างไรถ้ายังนึกไม่ออกก็ลองคายมันออกมา เราดูซิว่าเราจะตักกลับเข้าไปรับประทานได้ไหมหรือไม่ mm. ถ้าเราพิจารณาอย่างนี้แล้วรับรองได้ว่าไม่ว่าเราจะอยากรับประทานอะไรก็ตาม mm. เพียงแต่นึกถึงสภาพที่เมื่อมันเข้าไปอยู่ในปากของเราได้ถูกเคี้ยวไปแล้ว <c oughs> หรือในสภาพที่อยู่ในท้องแล้วหรือในสภาพที่มันออกมาแล้วเราจะไม่เกิดความอยากเลยแลวเราจะรับประทานอาหารตามเหตุตามผล ตามความจำเป็นตามความต้องการของร่างกายเท่านั้นความอยากทางใจนี้จะไม่สามารถมาหลอกให้เรารับประทานอาหารเกินความจำเป็นได้แล้วเราจะรักษาหุ่นของเราไว้ให้ดูสวยงามไม่อ้วนฉุจนเกินไปกลายเป็นตุ่มน้ำไปนี่เพราะว่าใจไม่มีปัญญานั่นเองไม่รู้จักวิธีหักห้ามจิตใจ แต่ถ้าเราได้เข้าวัดฟังเทศฟังธรรมหรือได้อ่านหนังสือธรรมะอยู่เรื่อยๆเราก็จะได้ยินได้ฟังเรื่องราวเหล่านี้เพราะธรรมะมีวิธีแก้ปัญหาทุกของใจได้ทุกชนิดไม่ว่าจะเป็นความโลภเช่นโลภอาหารอย่างนี้เป็นต้นก็ให้พิจารณาความไม่สวยงามความเป็นปฏิกูลของอาหารเมื่อมันเข้าไปในปากเข้าไปในร่างกายแล้ว มันก็จะเป็นอีกสภาพหนึ่งไปถ้าเราลึกถึงสภาพของอาหารที่อยู่ในปากอยู่ในท้องเราแล้วต่อให้อาหารที่อยู่ในจานจะวิเศษวิโสสวยงามน่ารับประทานขนาดไหนก็ตาม <c oughs> เราก็จะรับประทานไม่ลงแต่เราก็ต้องระมัดระวังถ้าเราพิจารณามากเกินไปก็จะทําให้ไม่อยากจะรับประทานอาหารเลย ก็จะกลายเป็นโรคขาดอาหารไปได้เหมือนกันเพราะทางนั้นเราต้องรู้จักใช้ปัญญาในกรณีที่เหมาะสมคือใช้ในขณะที่มันอยากจะรับประทานเกินความจําเป็นเราถึงจะใช้มันแต่ถ้ามันมีความจําเป็นจะรับประทานเพราะเราต้องดูแลรักษาเยียวยาร่างกายให้อยู่ได้เราก็ต้องรับประทานอาหาร จำนวนที่พอควรถ้าเราไปพิจารณาในตอนนั้นเราก็จะเกิดความไม่อยากรับประทานอาหารขึ้นมาก็จะทําให้ร่างกายขาดอาหารผอมแห้งแรงน้อยได้เหมือนกับการรับประทานยาถ้ารับประทานไม่ถูกขนาดรับประทานมากเกินไปก็จะทําให้แพ้ยาอาจจะทําให้ตายได้ ้ารับรับประทานน้อยไปก็จะไม่รักษาโรคให้หายขาดได้เราจึงต้องรับประทานยาตามที่หมอสั่งตามที่ฉลาดเขียนไว้ในซองยาว่าให้รับประทานครั้งละกี่เม็ดวันละกี่เวลาฉันใดธรรมะคือปัญญาที่พระพุทธเจ้าทรงสอนให้เราศึกษาและนำมาปฏิบัติ เราก็ต้องรู้จักปฏิบัติให้ถูกวิธีให้ถูกกาละเทษะให้ถูกเวลาไม่ใช่นั้นแล้วธรรมะก็จะกลายเป็นของสแสลงไปได้ดังที่เราเคยได้ยินว่าคนที่ปฏิบัติทำแล้วเป็นบ้าไปนั่นก็เป็นเพราะว่าปฏิบัติแบบไม่รู้จักความพอดีไม่มีคนคอยคอยสอนคอยบอกก็ปฏิบัติไปตามความเข้าใจของตนเอง ถ้าพิจารณาความเป็นปฏิกูลของอาหารก็จะพิจารณาจนเลยเถิดจนไม่ยอมรับประทานอาหารสู้ผอมไปแล้วดีไม่ดีอาจจะตายไปก็ได้แต่ถ้ามีครูบาอาจารย์มีผู้ที่มีประสบะการณ์ผ่านเรื่องราวเหล่านี้มาแล้วจะช่วยเราได้จะช่วยกแก้ปัญหาในการบำเพ็ญได้เพราะการบำเพ็ญ บุญและกุศลในแต่ละขั้นนั้นก็จะมีหลุมมีบ่อที่จะทำให้เราไปตกไปติดไดก้การทำบุญให้การทาบุญให้ทานก็มีหลุมมีบ่อได้เหมือนกันเช่นบางคนคิดว่าทำบุญให้ทานแล้วจะทำให้ตนเองร่ำรวยก็อยากจะทำมากๆก็เลยพยายามไปหาเงินหาทองมามากๆเพื่อจะได้มาทำบุญให้ทาน เพื่อชาติหน้าเกิดไปเกิดชาติหน้าแล้วจะได้ร่ำรวยมีเงินทองมากมายอย่างนี้ก็ไม่ใช่เป็นวิธีการทําบุญให้ทานที่ถูกต้องเพราะการทําบุญให้ทานนั้นต้องไม่ทําให้เกิดความโลภไม่ทําด้วยความโลภแต่ทําเพราะว่าต้องการจะตัดความโลภตัดความตนันนีตัดความยึดติดในสมบัติข้าวของเงินทอง ที่เรามีเหลือกินเหลือใช้ต่างหากสมมุติว่าเรามีเงินมากเกินกว่าความจําเป็นที่จะต้องมีไว้ดูแลชีวิตของเราและผู้อื่นที่อยู่ในความรับผิดชอบของเราเราก็ไม่ควรที่จะห่วงเก็บเอาไว้เพราะมันจะเป็นภาระทางจิตใจทำให้เรามีความห่วงมีความกังวลมีความเสียดายเวลาที่เราสูญเสียมันไป ถ้าเราเอามาทำบุญให้ทานช่วยเหลือผู้อื่นก็จะทำให้จิตใจของเรามีความอิ่มเอิบมีความปิติมีความสุขมีความอิ่มมีความพอแล้วจะทำให้เราไม่อยากจะได้เงินทองมากเกินเกินความจำเป็นเพราะรู้ว่ามีมากเกินไปก็ไม่มีประโยชน์อะไรกับตัวของเราหรือ <c oughs> จิตใจของเรามีแต่จะสร้างภาระ คือความกังวลความเสียดายความตนีและความโลภให้มีมากยิ่งขึ้นไปนะการทำบุญให้ทานนั้นโดยหลักโดยเจตนาก็คือต้องการที่จะปลดเปลื้องความโลภความตนีความหวงความยึดติดในสิ่งต่างๆที่มีมากเกินความจำเป็นนะว่ามันไม่เกิดประโยชน์อะไรนั่นเอง ถ้าเราเอาส่วนที่ส่วนก่อนนี้ไปทำบุญทํากุศลนี่แหละเราจะได้ประโยชน์ทั้งในปัจจุบันและในอนาคตคือในภพชาติต่อไปในปัจจุบันเราก็จะมีความสบายใจมีความอิ่มเอิบใจมีความอิ่มมีความพอไม่มีความกระตือรลร้นที่อยากจะต้องไปหาเงินมาเป็นกอบเป็นกองเพราะไม่รู้ว่าจะเอามาทําไม เมื่อเอามาก็เมื่อได้มาก็จะต้องเอามาทำบุญอยู่ดีอย่างนี้ก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องไปดิ้นรนกอดแว่งให้มันยุ่งยากลำบากและไม่ต้องไปมีเรื่องมีราวไปแข่งขันไปต่อสู้กับคนอื่นแล้วก็จะทำให้พบน้าชาติหน้าที่เราไปเกิดใหม่จะเป็นพบชาติที่ดีกว่าเกา่าเราจะมีรูปร่างหน้าตาที่สวยงามกว่าเกา่า มีทรัพย์สมบัติเข้าของเงินทองมากกว่าเก่านี่เป็นอธิสงที่จะได้รับจากการทาบุญให้ทานด้วยการไม่โลภไม่ได้การทาบุญให้ทานจึงไม่ได้หมายความว่าให้ไปทำงานหาเงินหาทองมามากๆแล้วก็เอามาทำบุญอย่างนี้ไม่ใช่เป็นไม่ใช่เป็นวิธีการทำบุญที่ถูกต้องการทำบุญที่ถูกต้องก็คือการปลดเปลื้อง สิ่งที่เรามีอยู่เกินความจำเป็นให้มันออกไปจากตัวเราแล้วเพื่อจะได้คลายความยึดติดนั่นเองคนที่ทาบุญอย่างสม่าเสมอแล้วเวลาสูญเสียอะไรไปจะไม่รู้สึกเสียอกเสียใจไม่รู้สึกเสียดายอะไรเพราะจะรู้สึกเพราะจะคิดว่าเป็นการทาบุญไปถึงแม้ว่าจะมีคนมาขโมยไปก็ตามก็จะไม่โกรธแค้นโกรธเคือง จะคิดว่าดีไม่ต้องไปที่วัดให้เสียเวลามีคนมาเรียรายถึงที่บ้านเลยนี่จะเป็นอย่างนี้แต่คนที่ไม่ชอบทำบุญหรือไม่ทำบุญนั้นเวลาสูญเสียอะไรไปเล็กๆน้อยๆก็จะเกิดความโกรธเกิดความเสียใจกินไม่ได้นอนไม่หลับเพราะยึดติดอยู่กับสิ่งที่เสียไปนั่นเองเพราะไม่เคยบริจาคไม่เคยเสียสละ ก็จะมีความทุกข์ทั้งในขณะที่มีสิ่งของต่างๆอยู่กับตนและก็จะมีความทุกข์เมื่อสูญเสียสิ่งต่างๆเหล่านั้นไปเวลามีก็หวงก็ห่วงก็กังวลเวลาเสียไปก็โกรธแค้นโกรธเคืองเสีย อ, อกเสียใจดังนั้นเวลาเราทำบุญให้ทานเราก็ทำตามฐานะของเรา เราไม่ต้องไปกังวลว่าคนอื่นเขาทํามากน้อยเพียงไรอย่างไรไม่จําเป็นแต่และคนนั้นมีฐานะไม่เหมือนกันมีมากก็ต้องทํามากเป็นธรรมดาเพราะถ้ามีมากแล้วทําน้อยมันจะไม่รู้สึกอะไรถ้ามีถ้ามีน้อยแล้วทําน้อยจะรู้สึกว่ามีความรู้สึกพราะเราต้องดูที่เรียกว่าเปอร์เซ็นต์ของสิ่งที่เราเสียไป ถ้าเรามีร้อยแล้วเราบริจาคไปทั้งร้อยนี่เราก็จะรู้สึกว่าได้บุญมากมีความสุขมากแต่ถ้าเรามีแสนหนึ่งแล้วเราบริจาคไปเพียงร้อยเดียวถึงแม้จะบริจาคเท่ากับอีกคนหนึ่งที่บริจาคไปร้อยหนึ่งแต่ความรู้สึกจะไม่เหมือนกันเพราะว่าร้อคนมีแสนเสียเงินร้อยไปนี้จะไม่รู้สึกอะไรก็จะไม่เกิดความสุขเกิดความอิ่มเอิบใจ เปรียบเหมือนกับสัตว์ใหญ่กับสัตว์เล็กถ้าเป็นหนูกินข้าวเพียงช้อนเดียวก็มีความอิ่มแล้วแต่ถ้าเป็นช้างกินข้าวช้อนเดียวจะไม่รู้สึกอะไรช้างก็ต้องกินข้าวเป็นกระแป้งเป็นกระสอบถึงจะรู้สึกว่าอิ่มขึ้นมาได้ฉันใดาการทําบุญก็เป็นอย่างนั้นคนมีน้อยทําน้อยก็มีความสุขคนมีมาก ถ้าทำน้อยก็จะไม่มีความสุขถ้าทำน้อยเท่ากับคนมีน้อยจะไม่มีความสุขไม่มีความอิ่มต้องทำตามฐานะของตนนะคือต้องทำส่วนที่เรามีเหลือเกินที่มีเกินนั้นไปให้หมดให้ได้ถ้าทำได้หมดแล้วจะยิ่งมีความสุขถ้ามีมีล้านหนึ่งที่เหลือที่เกินใช้ก็ควรจะทำมันให้หมดไปถ้ามีร้อยหนึ่งก็ควรจะทำร้อยนั้นให้หมดไป แต่ส่วนที่มีความจำเป็นเราก็จะต้องเก็บเอาไว้เพราะชีวิตของเราต้องอาใสายเงินก้อนนี้ไว้ดูแลในเวลาเจ็บไข้ได้ป่วยเวลาที่มีไม่มีรายได้อย่างอื่นเข้ามาก็ต้องอาใสายเงินก้อนนี้เงินก้อนนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเสียสละไม่ได้นอกจากว่าเราจะออกบวชเราก็ ไม่มีความจำเป็นกับเงินอีกต่อไปเพราะเมื่อบวชแล้วก็จะมีปัจจัยสี่พร้อมบริบูรณ์จากผู้ที่มีจิตศรัทธาคอยบริจาคคอยถวายให้อยู่เป็นประจำอย่างพระสงฆ์องค์เจ้านี้ถ้าไม่มีเงินทองก็สามารถอยู่ได้เพราะมีปัจจัยสี่ครบบริบูรณ์ทุกวันก็มีบาตร ไปบิณทบาดมีอาหารรับประทานทุกวันมียารักษาโรคมีจีวรไว้นุ่งห่มมีที่อยู่อาศัยมีกุฏิถ้าไม่มีกุฏิก็มีถ้ำมีโคนไม้ไว้อยู่ได้ดังนั้นเงินทองจึงไม่ใช่เป็นเหตุปัจจัยที่สำคัญต่อการให้ความสุขกับจิตใจ เงินทองมีเพียงไว้ดูแล ร, รักษาร่างกายให้อยู่ไปเพื่อไม่ได้ เ, เพื่อจะได้ไม่เจ็บไข้ได้ป่วยไม่ลำบากลำบนท่านั้นเองมีเงินทองมากเกินไปกว่านั้นก็จะไม่ให้ความสุขกับใจอย่างที่เราคิดกันมีแต่จะสร้างความทุกข์สร้างความวุ่นวายใจให้มากยิ่งขึ้น ลองสังเกตดูคนที่มีเงินมีทองขึ้นมามากๆแล้วจะมีปัญหาตามมาเช่นพวกดาราภา พ, พยนตร์ดารานักร้องทั้งหลายเวลามีเงินทองมากๆกิเลสก็มากต่างขึ้นไปก็กินเหล้าเมายาเสพสิ่งเสพติดต่างๆใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยเพราะคิดว่าเมื่อใช้ไปแล้วจะมีความสุข แต่ยิ่งใช้ไปเท่าไหร่จิตใจก็ยิ่งฟุ้งซ่า ย, ยิ่งวุ่นวายจนจะเสียสติไปจงต้องเข้าไปรับการบําบัด ต, ตามศูนย์บําบัดต่างๆ บ, บําบัดโรคติดยาเสพติดบาบัดโรคติดสุรายาเมาเพราะจิตใจไม่ได้รับอาหารที่ถูกต้องนั่นเองได้รับยาพิษ คือการได้ใช้เงินใช้ทองอย่างฟุ่มเฟือยได้กินได้ดื่มได้รับประทานได้ทำอะไรตามความอยากของตนไม่ได้ให้ความสุขกับจิตใจเพราะจิตใจจะมีความสุขได้นั้นจิตใจต้องสงบนิ่งเพียงอย่างเดียวถ้าจิตใจไม่สงบนิ่งแล้วจะหาความสุขไม่ได้ต่อให้ทำอะไรมากน้อยเพียงไรก็ตาม ให้ได้ขึ้นไปกับยานอาวกาศขึ้นไปวนรอบโลกกี่หลายกี่รอบก็ตา่างกลับมามันก็ยังเป็นเหมือนเดิมอยู่มันไม่ได้ทําให้เกิดความอิ่มเกิดความพอแต่อย่างไรจะเกิดความอิ่มเกิดความพอได้ก็ต่อเมื่อได้ทําบุญให้ทานได้ช่วยเหลือผู้อื่นให้ผู้อื่นได้มีความสุขบ้างแล้วก็ได้ทําจิตใจให้สงบ ด้วยการไหว้พระสวดมนต์ก็ดีหรือด้วยการนั่งทำสมาธิกําหนดจิตใจให้ติ้งให้นิง่งให้ได้ด้วยอุบายแห่งการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเพราะเมื่อจิตบริกรรมแต่คําว่าพุทโธพุทโธไปก็จะไม่สามารถไปคิดเรื่องอื่นได้เมื่อไม่ไปคิดเรื่องอื่นจิตก็จะสงบตัวลงไปเรื่อยๆ การบริการพุทโธพุทโธนี้ก็เป็นเหมือนกับการเหยียบเบรกนั่นเองเวลาคิดเรื่องราวต่างๆก็เป็นเหมือนกับเหยียบคันเร่งรถยนต์ถ้าเราเหยียบคันเร่งมันก็มีแต่จะพุ่งไปพุ่งไปถ้าเราต้องการให้รถยนต์หยุดเราก็ต้องเหยียบเบรไว้เหยียบไปเรื่อยๆเดี๋ยวมันก็ต้องหยุดเองใจก็เป็นเหมือนรถยนต์เหมือนกันใจจะหยุดนิ่งได้ก็ต้องมีเบรก เบรกก็คือการบริกรรมพุทโธพุทโธไปเรื่อยๆไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องต่างๆถ้าไปคิดเรื่องต่างๆก็หมายความว่าได้ถอนออกจากเบรกแล้วไปเหยียบคันเร่งถ้าไปคิดเรื่องต่างๆต่อให้นั่งสมาธิไปเป็นชั่วโมงก็จะไม่สงบไม่นิ่งถ้าจะให้สงบให้นิ่งนี้ต้องอยู่กับการบริกรรมพุทโธพุทโธไปอย่างเดียว แล้วอยู่กับการสวดมนต์ไปอย่างเดียวไม่ให้ไปคิดถึงเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องอะไรต่างๆที่เกิดขึ้นมาแล้วในอดีตก็ดีหรือเรื่องที่จะเกิดขึ้นมาในอนาคตก็ดีถ้าไม่มีความจําเป็นแล้วเราอยากไปคิดในขณะที่เราภาวนาทําจิตใจให้สงบเราต้องตัดเรื่องต่างๆออกไปให้หมดเพราะเราต้องการที่จะหยุดใจเราต้องการให้ใจสงบ เพื่อเราจะได้พบกับความสุขกับความอิ่มกับความพอถ้าเราพยายามทำไปเรื่อยๆแล้วรับรองได้ว่าไม่ช้าก็เร็วเราจะได้พบกับความสุขที่แปลกประหลาดมหัศจรรย์ที่เราไม่เคยพบมาก่อนและไม่มีความสุขอันใดที่จะมีความสุขเท่ากับความสุขที่เกิดจากความสงบของใจนี่เลย เราจึงไม่ควรมองข้ามการทําใจให้สงบเพราะความสงบของใจนี้ถ้าเปรียบเป็นสมบัติแล้วก็เป็นเหมือนกับเพชรนินจินดามีคุณค่ายิ่งกว่าเพชรเนินจินดาภายนอกเพราะเพชรนินจินดาภายนอกต่อให้มีมากน้อยเพียงไรก็ไม่ได้ทําให้เกิดความสุขเหมือนกับเพชรนินจินดาภายในคือความสงบนี้เลย เราต้องเป็นผู้กระทำเองไม่มีใครทำแทนเราได้บุญกุศลนี้เป็นสิ่งที่ทุกคนจะต้องทำกันเองพระพุทธเจ้าจึงทรงตรัสไว้ว่าอัตตาหิอัตโนนาโถตนเป็นที่พึ่งของตนเหมือนกับการรับประทานอาหารไม่มีใครรับประทานอาหารแทนกันได้ต้องรับประทานกันเองการให้อาหารใจคือความสงบของใจก็ต้องเป็น ใจเป็นผู้ให้กับตนเองและการจะทำให้เกิดความสงบได้ง่ายใจก็ต้องไปหาที่สงบด้วยถ้าทำสมาธิในที่ที่มีคนพุกพลาดมีเสียงรบกวนมากๆก็จะไม่สามารถทำให้สงบได้ต้องหาสถานที่สงบวิเวกเรียกว่ากายวิเวก เมื่อกายวิเวกแล้วจิตก็จะวิเวกตามจิตก็จะมีความสงบตามได้ง่ายแต่เมื่ออยู่ในสารที่วิเวกแล้วก็ยังต้องมีสติคอยควบคุมใจไม่ให้ไปคิดเรื่องราวต่างๆก็ต้องดึงเอาไว้ให้อยู่กับพุทโธพุทโธหรืออยู่กับอารมณ์อื่นก็ได้ที่ถูกเฉิดกับเราบางท่านอาจจะ ถูกกับการดูลมหายใจเข้าออกก็กำหนดดูลมหายใจเข้าออกไปบางคนบางท่านถนัดกับการกำหนดดูอาการ32สองของร่างกายก็กำหนดดูไปพิจารณาดูผมขนและฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกถ้าจิตอยู่กับอาการเหล่านี้อยู่กับธรรมเหล่านี้จิตก็จะสงบตัวลงแล้วเมื่อจิตสงบแล้ว จิตก็จะมีความสุขมีความอิ่มมีกําลังที่จะต่อสู้กับความอยากความหลงต่างๆได้เพราะหลังจากที่ออกจากความสงบนี้แล้วจิตก็จะเริ่มคิดตามปกติเวลาคิดถึงเรื่องอะไรก็จะเกิดความยินดียินร้ายขึ้นมาก็ต้องเอาปัญญาเข้ามาสกัดต้องพิจารณาปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่ไปยินดียินร้ายด้วย อย่าไปผูกติดกับสิ่งต่างๆสิ่งต่างๆจะดีจะชั่วมันก็เรื่องของเขาเราไม่มีความจําเป็นที่ต้องไปยุ่งเกี่ยวกับเขาเราไม่มีเขาเราก็อยู่ได้นี่คือปัญญาจิตนี้สามารถอยู่ตามลําพังของตนเองได้โดยที่ไม่ต้องมีอะไรมาให้ความสุขไม่ต้องมีอะไรเป็นที่พึ่งเพราะจิตมีที่พึ่งในตนเองแล้วคืออัตตาหิตอัตนโนนาโถ ที่เกิดจากการทำบุญทำกุศลนี่เองนี่แหละคือที่พึ่งที่แท้จริงของพวกเราสิ่งอย่างอื่นไม่ใช่เป็นที่พึ่งไม่ว่าจะเป็นเงินทองวัตถุต่างๆหรือบุคคลต่างๆสิ่งเหล่านี้พึ่งไม่ได้เพราะเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาไม่เที่ยงมีการแปรปรวนมีการดับไปไม่อยู่ในการ <c oughs> ไม่อยู่ในการควบคุมบังคับของเรา มีแต่จะให้ความทุกข์ความกัวงวลใจอยู่ตลอดเวลาเราจึงต้องตัดอย่าไปหลงยึดติดกับสิ่งต่างๆกับบุคคลต่างๆให้ยึดติดอยู่กับความสงบอย่างเดียวให้ยึดติดอยู่กับการภาวนากับการปฏิบัติธรรมกับการอยู่สถานที่สงบสงัดวิเวกนี่แหละจะเป็นวิธีที่จะทำให้เราได้พบกับความอิ่มความพอกับความสุข กับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้อยู่ที่ตรงนี้เริ่มต้นเริ่มต้นด้วยการมาวัดอย่างสม่ำเสมอมาทำบุญทำทานมารักษาศีลมาฟังเทศฟังธรรมและถ้ามีเวลาก็อยู่วัดปฏิบัติธรรมถือศีลแปหรือจะออกบวชเป็นพระก็ถือศีล227ข้อบวชเป็นสามนเณรก็ถือศีลสิบข้อ ก็ค่อยๆปฏิบัติไปพัฒนาขึ้นไปตามลำดับแล้วในที่สุด<ม>เราก็จะได้พบกับความสุขที่แท้จริงพบกับความเจริญที่แท้จริงพบกับการหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลายอย่างแท้จริงอยู่ที่ตัวเราไม่ได้อยู่ที่ใครพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์เป็นเพียงผู้ชี้ทางเท่านั้นแต่เราต้องเป็นผู้ดำเนินเป็นผู้เดินไป ถ้าเราไม่เดินไปต่อให้เรามีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มากน้อยเพียงไรก็ไม่สามารถจะช่วยอะไรเราได้พระสงฆ์เป็นเพียงแต่ผู้บอกทางเราต้องเป็นผู้เดินไปจึงขอให้เราจงมีความแน่วแน่มั่นคงต่อการประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้าแล้วความสุขและความเจริญก็จะเป็นสิ่งที่ตามมาอย่างแน่นอน